ขอเชิญรับฟังหนึ่งนาทีกับเรื่องคิดดีทำดีการจะพูดดีทำดีด้วยจิตใจที่บริสุทธิ์ผ่องใสนั้นต้องพึ่งความรู้และความสามารถในการควบคุมความคิดของตนเองเนื่องจากไม่มีใครมารู้เห็นความคิดและควบคุมความคิดของเราได้เราจึงจําเป็นต้องรู้เห็นความคิดและควบคุมความคิดของตนเองดังนั้นการจะละชั่ว มุ่งทำดีและทำจิตใจของตนเองให้บริสุทธิ์ผ่องใสได้นั้นท่านต้องฝึกฝนตนเองโดยการตั้งเจตนาว่าต่อจากนี้ไปเราจะคิดดีเพื่อที่จะพูดดีทำดีกันชั่วชีวิตเมื่อท่านคิดดีเป็นประจำไม่นานนักท่านก็จะเป็นคนที่คิดดีทำดีตามพระราชดำรัสเมื่อท่านมีสติรู้ว่ากาลังคิดไม่ดีขึ้นมาเมื่อไหร่ก็ให้มีสติ หยุดการคิดไม่ดีนั้ น, น, นทันทีพร้อมกับตักเตือนตนเองว่าอย่าคิดเช่นนั้นอีกเมื่อฝึกเป็นประจำไม่นานนักท่านก็จะเป็นบุคคลที่คิดดีทำดีจนเป็นนิสัยที่ดีสืบต่อไปวันนี้เราฝึกคิดดีทำดีร่วมกันแต่เพียงเท่านี้ก่อนนะคะ หมอคะได้ฟังสปอตเปิดรายการเมื่อสักครู่พร้อมกันอยู่แล้วใช่ไหมคะ uh huh. คุณหมอมีความเห็นยังไงคะเรื่องคิดดีคิดไม่ดีอยากจะขอแบ่งปันของตัวเองสักนิดหนึ่งก่อนนะคะและเดี๋ยวจะให้คุณหมอช่วยร่วมกันแบ่งปันสักนิดหนึ่งอย่างตัวของตัวเองเนี่ยมีความสึกเลยว่าวันๆเนี่ยเรามีความคิดที่ไม่ดีผ่านเข้ามาในสมองหรือในใจของเราเยอะเหมือนกันแต่ทําไมคนบางคนเนี่ยมีความคิดที่ไม่ดีผ่านเข้ามาแล้วเขาทําไม่ดี ออกไปตามความคิดที่ลากจูงเข้าไปแต่ในขณะที่บางคนเนี่ยมีความคิดที่ไม่ดีเข้ามาแล้วเขาเด้งหรือชิ่งก็ได้นะคะความคิดนั้นออกไปเราก็ไม่ทําตามความคิดที่ไม่ดีอะไรเป็นเหตุปัจจัยที่ทําให้คุณเป็นอย่างนั้นคะคุณหมอถ้าว่าด้วยเรื่องเหตุปัจจัยนี่ก็ผมว่าสําคัญที่สุดก็คือการขัดนะคะแล้วคุณหมอเคยคิดไม่ดีไหมคะถามหน่อยเถอะโอ้เยอะแยะตกลงไม่ใช่ดีฉันคนเดียวใช่ไหมการที่คิดไม่ดี คือความคิดที่ไม่ดีเนี่ยมันก็โดยพื้นฐานแล้วก็คือมันมาจากจิตที่ไม่ดีครับมาจากจิตไร้สํานึกนะค่ะซึ่งทุกคนมีอยู่ใช่ไหมคะตามหลักการแพทย์เขาว่ายังไงคะใช่ฮะจริงๆแล้วจะว่าหลักการแพทย์ที่ว่าหลักทางแพทย์พุทธนี่ก็คงคะจะเหมือนกันแหละครับค่ะไม่ว่าจะวิทยาศาสตร์ หรือว่าพุทธาศาสตร์เก็หมือนนกัน อ, อธิบายตรงกันใช่ไหมคะว่าทุกชีวิตทุกจิตใจเนี่ยมีโอกาสที่จะมีความคิดไม่ดีผ่านเข้ามาได้ทั้งนั้นเป็นเรื่องปกติใช่ไหมคะครับแต่ในที่จิตของเราเนี่ยยังเป็นจิตที่ยังมีส่วนมืดอยู่เนี่ยนะฮะค่ะมันก็จะส่งอะไรขึ้นมาก็ได้ค่ะนะครับเพียงแต่ว่าถ้าหากเรามีสติที่จะรู้เท่าทันแล้วก็เรียกว่า มีพลังที่มากพอเนี่ยมีพลังฝ่ายดีงามหรือว่าพลังฝ่ายความเห็นถูกนะหรือว่าฝ่ายสมาธิถี่ได้มากพอเนี่ยมันก็สามารถที่จะหยุดยัง้งหรือว่าควบคุมความคิดนึกแบบนั้นได้แต่ว่าตอนที่มันผุดเกิดเราจะไปห้ามมันไม่ให้เกิดไม่ได้นั่นนะสิคะเพียงแต่ว่าเรามีหน้าที่ในการแค่ว่ารู้ทันว่ามันมีความคิดลักษณะที่เป็นอันตรายต่อตัวเองเป็น อันตรายต่อผู้นเกิดขึ้นเนี่ยเราก็เรียกว่าใช้สติปัญญาเข้าไปพินิจพิจารณานะครับแล้วเราก็จะพบเห็นว่าสิ่งที่มันคิดขึ้นมาเนี่ยสมควรทําหรือไม่สมควรทํานะครับบางทีเอย่าว่าแต่คิดไม่ดีนะครับค่ะแม้แต่คิดดีเนี่ยถ้าทําไปเลยโดยที่ไม่รู้ว่ามันถูกกาละเทสะบุคคลเนี่ยมันก็อาจจะไม่ดีก็ได้ค่ะนะครับมัน ไม่ว่าจะดีหรือไม่ดีเนี่ยก็ต้องมีส ต, สติสติสัมปชัญญะในการเข้าไปรู้เท่าทันนะครับแล้วก็ใช้สติปัญญาของเราพิจิตพิจ น, นาคำกับเข้าไปอีกชั้นหนึ่งก็จะทำให้เราไม่พลาดนะฮะไม่ถูกความคิดมันใช้เรานะครับเราก็จะเป็นผู้ใช้ความคิดนะเป็นทางทึ่จะนา ม, มาให้ความสุขนะ ค, คไ ม, ไม่สร้างทางที่จะนําความทุกข์มาสู่ตนเองนะครับสรุปแล้วเนี่ย พระสติเนี่ยนะคะเป็นเครื่องกรองความคิดที่ดีมากครับแล้วก็จะกั้นการกระทําที่ไม่ดีอีกตั้งหานะคะคเป็นคุณสมบัติหลักที่ท่านกล่าวไว้ในธรรมราเลยก็ได้ว่าสติปเป็นเครื่องกั้นสายอากุศลธรรมนะค่ะแต่ทีนี้ทั้งนั้นเนี่ยก็ต้องอาศัยปัญญาเข้ามาเป็นเครื่องตรวจสอบทบทวนพิจิตริจ า, ราอีกขั้นหนึ่งนะครับก็จะทําให้เราเกี่ยวข้องกับสิ่งที่ ปรากฏได้อย่างถูกต้องมากขึ้นนะครับค่ะก็สืบเนื่องมาจากเหตุการณ์ความวุ่นวายที่เกิดขึ้นเมื่อช่วงสิ้นปีที่ผ่านมานะคะคะจนถึงวันนี้เนี่ยหลายฝ่ายก็ยังวิ่งวุ่นหาข้อสรุปว่าใครเป็นคนทํานะคะแล้วก็ผู้ที่ถูกพาดพิงก็ออกมาตอบโต้ ว, ว่าไม่ได้เป็นคนทําอะไรอย่างเงี้ยนะค ะ, คะก็คงจะหาหาตัวการกันไปอีกนานมั้งกว่าจะสรุปได้แต่ที่อยากจะบอกเพื่อนของเรา สำหรับเหตุการณ์ที่ผ่านมาเนี่ยนะคะคุณหมออยากจะบอกว่าคนที่เราควรจะคิดถึงมากที่สุดเนี่ยไม่ใช่คนที่ได้รับบาดเจ็บหรือว่าผู้บงการหรอกคะ่ะว่าใครเป็นคนทําจริงๆแล้วให้คุณหมอทายว่าเราควรจะคิดถึงใครให้มากที่สุดในเรื่องราวที่เกิดขึ้นคิดถึงเจ้าของบ้านนะครับมันทะเลาะกันเนี่ควรเป็นพ่อเป็นแม่ถ้าเรียกว่าไม่ใช่ผ้าอาหารเนี่ก็ ค, คงจะต้องมีความทุกข์ไม่มากก็น้อยนะครับค่ะ ถึงแม้ว่าเราจะมองว่าพระองค์ท่านเนี่ยเปรียบเสมือนพระโพธิสัตว์นะคะแต่ว่าเหตุการณ์ตรงนี้เนี่ยก็อยากจะบอกว่าคนที่เราควรจะคิดถึงให้มากที่สุดนี่คือคือพ่อหลวงของเราเนี่ยซึ่งท่านจะรู้สึกอย่างไรนะคะในทถ้ำกลางกระแสเสื้อเหลืองที่ดารดาษเต็มบ้านเต็มเมืองในทถ้ำกลางกระแสเสียงที่บอกว่ารักในหลวงเสียเหลือเกินเนี่ยแล้วอะไรเกิดขึ้นในบ้านเมืองของเราในปีที่เราเฉลิมฉลองครบหกสิบปี ที่ท่านสรงครองราชมายาวนานด้วยความเหน็ดเหนื่อยหนักอ่ะนะคะต้องบอกอย่างนี้แล้วที่พระองค์ท่านทําเนี่ยก็เพื่อปวงชนชาวไทยเราไม่ใช่เพื่อตัวพระองค์ท่านเองเลยสักนิดเดียวนะคะแต่พระองค์ท่านกลับได้สิ่งที่ไม่อยากเรียกเลยว่าเป็นรางวัลที่ไม่สมควรเลยในวันสุดท้ายแห่งปีเฉลิมฉลองการครองราชยาวนานถึงหกสิบปีเนี่ยไม่อยากเรียกว่าเป็นรางวัลแต่มันก็เหมือนใช่เลยคะ เป็นปรากฏการ์ค่ะเหมือนใช่เป็นปรากฏการ์นะคะก็อยากจะทวงถามความรักในหัวใจของคนไทยเราล่ะค่ะว่าถ้าคนไทยเรารักในหลวงจริงๆแล้วละก็มาช่วยกันคิดดีทําดีให้ความคิดดีและการกระทําที่ดีๆเนี่ยแผ่กว้างออกไปกันเถอะนะคะมาช่ก็ต้องเริ่มจากการที่เราฝึกผัดคิดนะอย่างที่ว่าฝึกคิดที่ว่าไม่ฝึกไม่ได้เลยนะคะครับเขาเรียกว่า มนุษย์เนี่ยเป็นเวนยศัตร์เวนยัยยังสอนได้ครั บ, รบเป็นสัพท์ที่ศึกได้ค่ะนะครับเฉะนั้นเราทุกคนมีสิ่งที่บริสุทธิ์เดิมแท้อยู่ในตัวเองเพียงแต่ว่าตอนนี้มันดูอาจจะดูสกรปรกมอมแมมถ้าใครรู้ตัวว่าจิตใจของตัวเองเนี่ยมันยังสกรปรกมอมแมมอยู่นะมันเหมือนว่ามันมีอะไรมาเครือบแก้วสารพัดนึกนะ่ะไว้เนี่ยเราก็ต้องมาช่วยกันขัด การถูใช่ไมะก็คือฝึกนี่แหละครับฝึกคิดอย่างที่ในกล่าวนําไว้นะฝึกคิดในแง่ดีฝึกคิดในแง่บวกรู้จักควบคุมความคิดที่ไม่ดีความคิดในแง่บวกและที่สําคัญที่สุด ก, ก็ต้องย้อนกลับไปถึงพ้นบึ้งก็คือว่าต้องให้จิตเขาได้เรียนรู้ความจิตนะครับฝึกจิตอบรมจิตก็เรียกว่า อ, อย่างนั้นอบรมฝึกฝนอบรมให้เขามีปัญญาคือรู้เห็น สิ่งต่างๆเนี่ยตามความเป็นจริงเนี่ยตัวนี้เนี่ยก็จะทําให้เป็นการเปลี่ยนแปลงความคิดอย่างถาวรนะฮะเพราะว่าอารมณ์ความคิดของเราเนี่ยถ้ า, าเราไม่ได้ฝึกจิตฝึกใจจริงๆเนี่ยบางทีมันมีอารมณ์ชั่ววูบนะครับเคด้นไหมอืมใช้กันบ่อยนะคะอ่วที่มันวูบเข้ามาแล้วบางทีถ้ามันรุนแรงนะเหมือนเฮอริเคนเนี่ยบางทีมันก็เอาอะไรก็เอาไม่อยู่นะฮะใช่ค่ะดังนั้นถ้าเราไม่ฝึกจิตฝึกใจของเราให้มันมี ปัญญาจริงๆซึ่งจะเป็นตัวที่เรียกว่าเอาไว้ตัดอกุศลกรรมได้อย่างเฉียบขาดจริงๆเนยบางทีอาจจะทําให้มันพัดชีวิตของเราเนี่ยกระเจิดกระเจิงก็ได้คนะครับเพรนการฝึกคิดก็เป็นสิ่งที่ดีแต่การฝึกคิดเนี่ยเป็นสิ่งที่ผมคิดว่ามันเป็นการแก้ที่รากเหง้าได้จริงๆนะครับการที่จะออกมาเป็นผลถึงการพูดดีถึงทำดีเนี่ยมันก็ค่อยๆพัฒนามาจากจากตรงนี้นะครับค่ะ ะะต้องฝึกจิตฝึกฝนใจกันก่อนว่างั้นเถอะนะคะปีใหม่เนี่ยผมเห็นว่าก็คงต้องเป็นปีที่เราต้องเน้นย้าตรงจุดนี้มากขึ้นเพราะว่าไม่ว่าสถานการณ์อะไรต่างๆเนียจะเปลี่ยนแปลงไปในรูปแบบไหนแต่ว่าโดยเท่าที่เราคิดคำนึงกันอยู่เนี่ยมันก็ดูแล้วมันยังจะสว่างได้ยากนะฮะค่ะมันก็คงจะอึมครึมหรือว่าจะท้อท้ น, น, นหรือว่าจะนั่งไม่นาน สิ่งที่เราต้องช่วยกันก็คือต้องช่วยกันทําแสงสว่างให้มันเกิดขึ้นนะครับแสงสว่างนั้นะก็เริ่มจากปัญญาดวงเทียนน้อยๆในใจของเราก่อนนะคะช่วยกันทําบุญลักษณะของบุญก็คือเป็นความสว่างความสะอาดนะครับปีใหม่นี่ผมว่าเป็นน่าจะเป็นปีแห่งการทําบุญในทุกรูปแบบนะคะนะไม่ว่าจะเป็นบุญที่เกิดจากการทําทานไม่ว่าจะเป็นบุญที่เกิดจากการรักษาศีล ไม่ว่าจะเป็นบุญที่เกิดขึ้นจากการเจริญจิตติสภาวนามาเร่งกระดมสร้างบุญกันครับผมว่าจะเป็นหนทางที่เรียกว่าถูกตรงอะะนี่แสดงว่าคุณหมอกําลังจะใช้แผนกุศลครอบงําอากุศลแน่เลย <c oughs> ก็ต้องอย่างกันเพราะาเก็สมกับที่พระเจ้าอยู่ของเราได้ตัดไว้ว่าเราจะทําทุกคนในประเทศชาติของเราเนี่ยให้เป็นคนดีไปทั้งหมดเนี่ยคงเป็นไปไม่ได้ค่ะ <c oughs> แต่สิ่งที่เราทําได้คือว่าส่งเสริมคนดี ใอ้คนดีไดปกครองบ้านเมืองนะก็คือส่งเส ร, ริมให้กุศลธรรมเนี่ยมีขนาดนใหญ่กว่าอกุศลธรรมค่ะความสงบเย็นในระดับที่มีความมากน้อยของกุศลธรรมเนี่ยก็จะว่ากันไปตามนั้นนะครับค่ะคุณหมอคะทีนี้มีเพื่อนของเราบางคนมีความเห็นว่าต่อเหตุการณ์รุนแรงที่เกิดขึ้นในสังคมไทยเรานี่นะคะจะแก้ไขโดยวิธี สมานและฉันเนี่ยเห็นทีจะไม่ได้ผลเธอฟันธงไปเลยนะคะว่าโอ้มีวิธีเดียวนะที่จะแก้ปัญหาได้ก็คือต้องเก็บคนเหล่าเนี้ยให้หมดหมดสิ้นแบบไม่เหลือเชื้อเลยอย่างเงี้ยถึงจะแก้ปัญหาสังคมที่เป็นอยู่ได้คุณหมอมีความเห็นเป็นประการใดคะคุณพูดได้ผู้หญิงผู้ชายไม่อยากเลยได้แล้วผู้หญิงผู้ชาย <c oughs> คนที่ควรจะเก็บบ้างที่สุดก็คือคนพูดแหละฮะอ้าวทาไมอย่างนั้นล่ะคะต้องเก็บคนนี้เป็นคนแรกคนนี้น่ากลัวใช่ไหมคะคนนี้น่ากลัวออค่ะมันคงเป็นไปไม่ได้เราไปศิีนะค่ะเพราะว่าจริงๆแล้วอันที่หนึ่งมันคงเป็นไปไม่ได้อันที่สองก็คือว่ามันก็ไม่มีการสําเร็จด้วยค่ะเป็ น, นะะไปไม่ได้ว่างกันเถอะอ่าเป็นไปไม่ได้อืมเพราะว่าคนเราถ้ายังมีมิจฉาทิฐิค่ะยังมีความเห็นที่ไม่ถูกต้องอยู่เนี่ยค่ะ ยังไงมันก็แก้ไม่ได้ยังไงก็กําจัดไม่หมดก็เป็นกรรมของเขาไปครับมันเป็นกรรมของชาติเป็นกรรมของโลกหรือเป็นกรรมของสัตว์ก็ว่าได้ก็กรรมร่วมกันอีกกันฮะเป็นกรรมร่วมกันค่ะเฉะนั้นสิ่งที่เราควรจะมองคนที่มีทัศนะในแง่มุมอย่างนี้เนี่ยค่ะผมเข้าใจว่าเกิดขึ้นจากการที่เขาไม่รู้จักคุณค่าของชีวิตนะเขาไม่รู้จักคุณค่าของตัวเขาเองที่แท้จริงด้วยซ้าไป นะครับการที่เราพูดออกมาว่าไอ้พวกนี้เลวต้องกําจัดคนเลวให้หมดเนี่ยจริงๆมันน่าจะพูดใหม่ว่าจริงๆแล้วเราต้องกําจัดความเลวให้หมดไปออืมไม่ใช่กําจัดคนเลวเพราะว่า<ต>ในคนกัดความเลวกับคนเลวเนี่ยมันคนละส่วนกันเนาะค่ะฮะแล้วผลก็คนละอยา่างแค่เราคิดที่จะกําจัดคนเลวเนี่ยนะมันก็ประตูนรกก็แง้มแ้มแล้วนะครับถ้าหากเราพยายามนะ พยายามที่จะทําวางแผนที่จะทำะแล้วกําำสำเร็จเนี่ยประตูนรกก็เปิดไปเรียบร้อยก็กระโจนลงไปกันเองนะคะแล้วจริงที่เราควรจะมองก็คือสิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยมันเป็นความไม่ดีนะเป็นความไม่ดีค่ะเป็นความเลวเป็นอกุศลเป็นบาปซึ่งแน่นอนว่าใครทําคนนั้นเขาจะได้รับคนั้นสิ่งที่เราควรทำํำหรือว่าเราควรจะมองเขาด้วยสายตาที่มีความเมตตาสงสารเขาว่าวิบากหรือว่าผลที่เขาจะได้รับเนี่ยย่อมมีความทุกข์ เป็นเบื้องหน้าอย่างแน่นอนคะนะครับแม้แต่ว่าทุกในปัจจุบันขณะที่เขากําลังคิดกําลังทําแล้วกําลังตามมาเนี่ยเขากําลังเจอเซเอร์เรี่บากที่เผ็ดร้อนแสบ <คะ S 2> นะครับมากน้อยก็แล้วแต่ดงั้นสิ่งที่เราควรจะช่วยกันก็คือว่าอันนี้ต้องเริ่มจนถักตัวเราในสําคัญที่สุดค <ะ S 2> ถ้าตัวเรายังมีความคิดอย่างนี้เนี่ยความคิดเบียดเบียนอย่างนี้อยู่เนี่ยนคนอื่นเขาก็คิดคล้ายๆเราเขาก็คิดได้ไ<ร>เขาก็คิดได้ยิ่งเขามีแรงบีบคั้น ใช่ไหมฮะมีความทุกข์อะไรเกิดขึ้นมาเนี่ยก็ยิ่งทำไปได้ง่ายมากขึ้นนั่นจริงๆแล้วเนี่ยถ้าเรามองว่าโดยพื้นฐานเราทุกคนมีคุณค่าในตัวเองทั้งสิน้นมนุษย์เป็นสัตว์ที่ฝึกได้ค่ะนะครับมนุษย์เป็นสัตว์ชนิดหนึ่งที่มีธาตุแห่งพุทธะในตัวเองที่มีศักยภาพในความเปลี่ยนแปลงสามารถในการเปลี่ยนแปลงได้เนี่ยก็ต้องอยู่ที่พวกเรากันเองการที่นักเรียนเลวเนี่ยจะไปบอกว่าเด็กมันโง่งเนี่ยไม่ได้ค่ะ มันต้องบอกว่าครู น, น, น่าจะโง่ใช่ไหมครับดงั้นเราจะสอนเขาเนี่ยเราเราเกลียดเขาไว้ก่อนเนี่ยเราไม่มีทางที่จะสื่อสิ่งดีงามให้กับเขาได้เลยค่ะแทนที่เราจะไปเกลียดเขากําจัดเขาเนี่ยเราต้องให้ความเมตตาสงสารนะหรือแม้แต่ถ้าต้องให้ความรักเพื่ออาทรกับเขาให้มากขึ้นคือ<ห>แท น, นที่จะเกิดกระแสจงเกลียดจงชังเนี่ยมันน่าจะเป็นกระแสที่เมตตาให้อภัยเข้าใจใช่ไหยคะใช่ครับเพราะว่า จริงๆแล้วเราต้องเข้าใจว่าสิ่งที่เขาทําไปเนี่ยเป็นเพราะว่าเขาระบายความทุกข์ของเขาอ่ะครับใช่เขาระบายความทุกข์อัดอั้นตันใจค่ะฮะก็เกิดขึ้นจากการที่ความคิดไม่ดีอารมณ์ไม่ดีความเห็นผิดเรื่องอะไรต่างๆเนี่ยไปบีบคั้นจิตใจเขาค่ะต้องมีบางอย่างผลักดันจิตใจเขาใช่ตรงนี้แสดงว่าเขาทุกข์มากฮะค่ะทุกข์มากเขาทุกข์มากจึงทําระเบิดออกมาให้ปรากฏให้เห็นจากภายนอกค่ะ นั้นสิ่งที่มันจะเป็นเครื่องมือในการป้องกันตัวเราที่จะไม่ให้เราได้รับบาดเจ็บจากการระเบิดของความทุกข์ของคนอื่นเนี่ยก็คือต้องอาศัยพลังบุญอย่างเดียวนะคือเอาบุญนั้ น, น, นเอาบุญมาเป็นเกราะคุ้มครอง ช, อชีวิตใช่ฮะถ้าเราไม่มีกรรมที่เกี่ยวข้องกับคนที่เขาทําเนี่ยเราก็ต้องได้รับเศษกรรมก็คือเศษระเบิดอันนั้นเนี่ยมามาได้รับบาดเจ็บทางกายค่ะใช่ไหมแต่ว่าถ้าเรามีภูมิคุ้มกันที่มันเรียกว่า ลึกซึ้งนะครับถึงขั้นที่เรียกว่าป้องกันถึงจิตถึงใจเราได้เนี่ยตัวนี้ต่างหากที่เราจะบาดเจ็บแตกกายแต่ว่าใจไม่บาดเจ็บไปด้วยนะวนกลับมาก็อีหลอบเดิมนะครับพี่สิรินาถนะต้องฝึกจิตจเจริญสติสมัจัญญะมีความรู้สึกตัวนะครับรู้สึกตัวรู้ดูสังเกตปรากฏการที่มันเกิดขึ้นกับกายกับใจของเราอย่างเป็นกลางนะครับ ไม่ห้ามแล้วก็ไม่ตามตัวนี้ครับจะทำให้เราปล่อยวางขันห้านะ ค, คือกายกับใจของเราเนี่ยความยึดมั่นถือมั่นเมื่อมันจางคลายไปเนี่ยอะไรที่มันมากระทบนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของกายความแปรเปลี่ยนไปของร่างกายของจิตใจความรู้สึกนึกคิดเนี่ยมันก็ทำให้ใจของเราเนี่ยมันตั้งมั่นแล้วก็เป็นปกติมีความสุขอยู่ได้ตัวนี้แหละครับที่จะเป็นเครื่องมือในการแก้ไขปัญหา ข้างนอกด้วยสติปัญญาีิแทจริงนะค่ะไม่ใช่แก้ไปด้วยโมหะคติไม่ใช่ไปแก้ไปด้วยพยาคติไม่ได้แก้ไปด้วยฉันดาคติไม่ได้แก้ไปด้วยโทสะคติถึงที่สุดแล้วก็คืออยากจะบอกเพื่อนของเราว่าเรามาคิดดีทำดีแล้วก็เติมเต็มความรักในหัวใจของกันและกันเพื่อเป็นมงคพลพรอันยั่งยืนแก่ตัวของเราเองในโอกาสปีใหม่นี้กันดีกว่านะคะครับ แล้วก็ถ้าใครเขาจะคิดไม่ดีทําให้ดีเนี่ยก็เหยียบปล่อยใจของเราเนี่ยให้ไปแปดเปื้อนเลยนะคะรักษาใจของเราเนี่ยเอาไว้ให้ดีะนะคะถึงเราจัดการเขาไม่ได้แต่เราต้องจัดใจของเราให้ได้อย่างที่ท่านอาจารย์กําพลบอกเมื่อวันปีใหม่นะคะครับกรรมก็จะจัดการตัวเขาเองแนั่นแหละค่ะก็หน้าทีของเราก็คือว่าเมื่อกระทบกับสิ่งที่เราได้เห็นได้ยินเนี่ยค่ะจิตใจของเราหวั่นไหว จิตใจของเราวิตกจิตใจมันกังวลขึ้นมาเนี่ยรู้ทันมันไหมค่ะมันกำลังปรุงกําลังแต่งกําลังเกลียดกําลังโรกรธกําลังเครียดเนี่ยรู้ทันหรือเปล่าตรงนี้นะคะสําคัญขอให้เชื่อในเรื่องกฎแห่งกรรมเถอนะคะครับใครทําอะไรเขาก็จะได้รับผลของการกระทําของเขาเองแหละตัวเราเองเนี่ยเพียงสร้างเหตุปัจจัยของเราเพื่อผลอันเราปรารถนาน่าจะดีกว่านะคะครับ อย่างที่คุณหมอบอกนะคะอย่าให้ปีพุทธศักราช 2,550 นี้เป็นปีแห่งการระดมบุญนะคะระดมกุศลระดมทมในสิ่งที่ดีงามให้มากๆมา ก, มา ก, มา ก, มากที่สุดเท่าที่กำลังของเราจะทำได้เพื่อให้กระแสะแห่งกุศลกรรมเนี่ยแผ่ขยายเป็นวงกว้างกว้างกว้างกว้างออกไปครอบคลุมกระแสะอักกุศลกรรมให้ถอยๆๆ ย, อ, ย, อ, ย, อ, ยออกไปตามกำลังของเราเถอะนะคะ